ข้อที่หพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ปรากฏในอิติุตกะปพระสุตตันตปิฎกพระไตปิฎกเล่ม25หใจความว่าภิกษุที่จับชายสังคติของพระองค์ติดตามพระองค์ไปทุกฝีก้าวแต่จิตใจยังประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงความไม่ดีไม่งามต่างๆภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลพระองค์และพระองค์ก็ชื่อว่า อยู่ไกลภิกษุรูปนั้นทั้งนี้เพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นไม่เห็นธรรมจึงไม่เห็นพระองค์ส่วนภิกษุผู้อยู่ใกล้พระองค์แม้รอยโยต์แต่จิตใจไม่ประกอบด้วยโลภโกรธหลงและความไม่ดีไม่งามต่างๆภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้พระองค์และพระองค์ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้ภิกษุนั้นทั้งนี้เพราะอะไร รภิกษุนั้นเห็นธรรมจึงชื่อว่าเห็นพระองค์คําว่าความโลภความโกรธความหลงและความไม่ดีไม่งามต่างๆซึ่งแปลถอดออกมาจากภาษาบาลีในที่นี้เป็นการแปลถอดความไม่ใช่แปลโดยพยัญชนะถ้าแปลโดยลำดับถ้อยคําจะต้องแปลว่าเป็นผู้มีอภิชาความโลภมีความกาหนัดกล้าในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาทมีความดําริแห่งใจในทางประทุษร้ายเป็นผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดมีอินทร์ปรากฏซึ่งเมื่อจัดประเภทเข้าในอากุศลธรรมแล้วก็รวมอยู่ในโลกโกรธหลงและความไม่ดีไม่งามต่างๆพระพุทธภาษตนี้ชี้ชัดลงไปว่าคนจะอยู่ไกลอยู่ใกล้พระพุทธเจ้านั้น มีใจจะชื่อว่าอยู่ใกลอยู่ใกล้โดยระยะทางต้องเห็นธรรมจึงชื่อว่าอยู่ใกล้ถ้าไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าอยู่ไกลคราวนี้จึงทําให้พวกเราในสมัยนี้สบายใจได้ว่าแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วแม้พระองค์จะเคยมีจินกําเนิดอยู่ในอินเดียพวกเราอยู่ไกลถึงในประเทศไทยและการเวลาก็ล่วงมานานแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขีดกัน หรือทำให้เราห่างไกลจากพระพุท ธ, ธเจ้าเลยถ้าเราสนใจในธรรมตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแม้เราจะไม่แขวนพระไม่มีพระเครื่องรางของขลังแต่เราก็ชื่อว่าได้ใกล้ชิดอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาหลักธรรมข้อนี้จึงเป็นธรรมาทิปไตยที่มีเหตุผลและเป็นคติเตือนใจจูงให้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าได้เสมอ